สวัสดีธรรมชาติเราท่านทั้งหลายทุกคนทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าที่เราเกิดมานี่มันเป็นธรรมชาติเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วในสิ่งที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าผู้มีปัญญาเขาจะทำให้มันเป็นประโยชน์เช่นแผ่นดินมันเป็นธรรมชาติ เขาก็ทำให้เป็นประโยชน์อากาศมันเป็นธรรมชาติเขาก็ทำให้มันเป็นประโยชน์ต้นไม้มันเป็นธรรมชาติเขาก็ทำให้มันเป็นประโยชน์ภูเขามันเป็นธรรมชาติเขาก็ทำให้มันเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นตัวของเราที่เป็นธรรมชาติก็ต้องควรทำให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้น ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นมันเป็นมหาศาลภูเขาเขาสามารถที่จะทำให้มันเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลอากาศเขาสามารถทำให้เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต้นไม้เขาก็สามารถทาเป็นประโยชน์อย่างมหาศารแผ่นดินเขาก็ยังทำเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลมนุษย์ ก็จำเป็นที่จะต้องทําให้เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเมื่อเรามาพิจารณาเช่นนี้อะไรที่จะมาเป็นเครื่องพัฒนามนุษย์เพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นที่มันเป็นธรรมชาตินั้นเที่เขาพัฒนานั้นมันเขาพัฒนาด้วยเทคนิคในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าไฮเทคอย่างเท่แม่น้ำเออมันเป็นธรรมชาติ เขาก็มาพัฒนาให้มันเป็นเขื่อนเมื่อมันเป็นเขื่อนแล้วมันได้ประโยชน์มากมายมากมายที่สุดจนกระทั่งสามารถทำเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าก็ไปเป็นประโยชน์อีกมากมายแทนที่จะให้มันเป็นธรรมชาติเฉยเฉมันเป็นธรรมชาติเฉยเฉไม่รู้กี่หมื่นกี่พันปีไม่มีเทคนิคหรือไม่มีไฮเทคที่จะทำ แต่ว่าปัจจุบันก็มีไฮเทคที่จะทาเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้มนุษย์เราเป็นประชาชาติอันหนึ่งควรที่จะต้องหาประโยชน์แล้วก็มนุษย์นี่แหละที่จะเป็นประโยชน์อันมหาศาลในตัวของแต่ละบุคคลทีนี้คนทุกคนนี่พากันดูถูกคือว่าดูถูกตัวเราเองว่าเป็นคนมีบุญ น, น้อยมีวาสนาน้อย มีปัญญาน้อยแล้วก็ไปดูถูกตัวเองดูถูกมากไปก็กินเหล้าเมาสุราดูถูกมากไปก็ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ดูถูกมากไปก็ประพฤติเป็ดศช่นธรรมนั่นเรียกว่าดูถูกตัวเองมากเกินไปเมื่อดูถูกตัวเองมากแค่นั้นมันก็จะต้องถูกลงโทษ เพราะว่าร่างกายของคนเรานี่มันมีสิ่งสาคัญยวนั่นคือใจเพราะฉะนั้นใจเนี่ยของเราเนี่ยที่มันได้รับความสุขความทุกข์อยู่เวลานี้มันไม่ใช่ใครอื่นนะมันใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เมื่อใจออกไปแล้วเนี่ยเขาเผาไฟก็ไม่เห็นเป็นไรแต่เมื่อใจยังอยู่นี่อะไรถูกนิดหนึ่งก็มาเจ็บปวดรู้สึกเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นใจจึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะเหตุนั้น เ, เราจึงได้เห็นว่านับราชฎผู้ที่มีความฉลาดเขาจึงได้มาพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยให้มนุษย์มีใจกว้างขวางให้มนุษย์มีใจเยือกเย็นให้มนุษย์มีใจแข็งแกร่งให้มนุษย์มีใ จ, จเฉลียวฉลาดาให้มนุษย์มีใจที่เรียกว่า เป็นใจอันประเสริฐอย่างนี้การพัฒนาเหล่านั้นอะไรอะไรก็สู้สมาธิไม่ได้ที่จะพัฒนาบุคคลการพัฒนาบุคคลนั้นก็อาศัยสมาธิสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิไฮเทคหรือเรียวกว่าสมาธิเอ็มันทันสมัยแต่ไม่ใช่งมทำกันอย่างที่าว่าไม่รู้ว่ามันถูกรู้ว่ามันผิด เนี่ยบางคนทําสมาธิก็หาว่าสมาธิเนี่ยทำให้เป็นบ้าเป็นใบบางคนทําสมาธิก็หาเอาโชคเอาลาบมาบางคนก็ทําสมาธิอยากหาชื่อเสียงดงดังบางคนก็ทําสมาธิหลงไหลไปจนกระทั่ง เ, เกิดประสาทหลอนสารพัดนั่นก็เรียกว่าไม่รู้จักพัฒนาไม่รู้จักพัฒนา เมื่อไม่รู้จักพัฒนานั้นมันก็ไรประโยชน์นั้นเมื่อรู้จักพัฒนาก็สามารถที่จะทาสมาธิเนี่ยให้มันเป็นขั้นเป็นตอนให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันรู้ถูกรู้เพดให้มันเป็นสิ่งเท่เออมองเห็นชัดเจนว่าการทาสมาธินี่เพื่ออะไรกันแน่ในเท่ หลวงพ่อได้แนะนำอยู่เวลานี้ก็คือทาสมาธิภายใต้สถาบันพลังกิตตานุภาพคือแนะนำบุคคลให้สร้างพลังเจตเพราะว่าพลังเจนี่แหละที่จะสามารถพัฒนาบุคลคลเคยพลังเจนี้มันเกิดขึ้นได้ทางเดียวคือเกิดขึ้นทางสมาธิเท่านั้นแต่มันไม่เกิดขึ้นจากทางอื่นมันเกิดขึ้นจากสมาธิเมื่อทาสมาธิ ถูกต้องเขาหมายความว่าไม่ใช่สมาธิที่ผิดอ่าเป็นสมาธิที่ถูกแล้วก็เป็นสมาธิที่เอ่อทันยุคทันสมัยก็สามารถที่จะพัฒนาสมาธิเนี่ยให้เป็นสมาธิที่มีประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ชาวโลกอ่าชาวโลกที่พาการสับสนวุ่นวายเนี่เพราะขาดสมาธิสมาธิน้อยไปพลงังจิตมันก็เลยน้อยไป เมื่อพลังจิตน้อยไปมันก็ไม่สามารถควบคุมจิตใจได้เมื่อไม่สามารถควบคุมจิตใจได้ความขัดแยง้งทั้งหัวไม่ขีดไฟมันก็ใหญ่โตลุกลามทําลายครอบครัวทําลายสังคมทําลายประเทศชาติทําลายโลกนี่คือการขาดพลังจิตเพราะฉะนั้น ในเมื่อเรามีสมาธิที่เป็นขั้นเป็นตอนเรามีสมาธิที่เป็นหลับเป็นเกณฑ์มีสมาธิที่ที่ถูกคี้ผิดเป็นสมาธิที่รู้จักมีจุดมุ่งหมายแล้วก็เป็นสมาธิที่สามารถทำได้ทุกผู้ทุกคนทุกวัยอย่างนี้ก็เรียกว่าสมาธิที่ทันสมัยเมื่อมีสมาธิอย่างนี้แล้วก็สามารถพัฒนาตัวของคนเนี่ย คนทุกคนเนี่ยมีดีด้วยกันนั่นนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้อาศัยสมาที่เป็นเครื่องพัฒนาแล้วคนนั้นก็จะมีค่ามหาศาลมากกว่าสิ่งอื่นๆทําให้เกิดปรรัญญาทําให้เกิดความสุขทําให้เกิดความสงบเมื่อมีพลังจิตควบคุมควบคุมจิตใจได้แล้วความขัดแย้งที่เกิดขึ้น มันจะใหญ่โตแค่ไหนมันก็ลดระดับลงพ้นขีดอันตรายย่อมสนับสนุนทำให้ครอบครัวเจริญย่อมสนับสนุนทำให้สังคมเจริญย่อมสนับสนุนทำให้ประเทศชาติเจริญย่อมสนับสนุนทำให้โลกเจริญเพราะฉะนั้นจงพากันให้รู้จักคุณค่าของธรรมชาติที่มนุษย์เราได้เกิดขึ้นมา และเราจะได้พัฒนาตัวเองเมื่อเราได้พัฒนาตัวเองแล้วเราก็จะจะได้ไม่ต้องไปดูถูกตัวเองแล้วก็จะได้ภาคภูมิใจตัวเองว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์สวัสดีสาธุ